ที่เราปฏิบัติโดยวิธีการพูดเขียนนี่ยเราพ้นพเน้นหลักขอความเข้าใจก่อนถ้าคนเราถ้าเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำได้ดีแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันทาแบบฝืนๆแต่ความเข้าใจนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยศรัทธานะถ้าเข้าใจแล้วแต่ว่าไม่ศรัทธาก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันเท่านั้นแต่ระหว่างศรัทธากับปัญญาเนี่ยอันไหนสาคัญกว่า วัดฮะศรัทธ า, น า, นาหนุ่มระวังศรัทธากับปัญญาไหนสำคัญกว่า ม, มาก่อนใช่ไหมศัทธ า, ามาก่อนบางคนไม่มีศรัทธาพอได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาและศรัทธาก็ตามมาทีหลังก็มีบางคนมีศรัทธาแล้ว ไม่เข้าใจก็เรียกว่าไปหลวงทางก็มีนะแต่บางคนมีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยแต่ส่วนใหญ่คนไทยเราก็เริ่มต้นที่ศรัทธาใช่แต่ทางอเมริกานี่เริ่มต้นด้วยปัญญาเนี่ ย, ญญ เ, ยเพราะฉะนั้นก็ดูว่าพื้นฐานแต่และคนแล้วคนมีพื้นฐานที่ต้องเริ่มด้วยศรัทธาก่อนแต่ศรัทธาที่ถูกต้องนั้นต้องเริ่มด้วยปัญญา แต่ศรัทธาที่เริ่มด้วยศรัทธาทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นศรัทธาที่ไม่ถูกต้องนะนั่นนั่นเองการที่เราจะเริญสติตรงนี้เราจะเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะเน้นตัวปัญญาเพราะว่าเราถือว่าทุกคนมีศรัทธาอยู่แล้วนะมีศรัทธาอยู่แล้วเรวก็เน้นตัวปัญญาเท่านั้นเองอยังได้บอกเบื้องต้นว่าว่าชีวิตของเราเนะี่ยมันมีแค่สองอย่าง เพราะต้นกำเนิดของชีวิตมีอยู่สองอย่างคือเกิดกับดับท่านเองถ้าไม่มีเกิดไม่มีดับชีวิตก็เิ่ม้ดไม่ได้ทีนี้เกิดกับดับเนี่ย <c oughs> มันเป็นพลังของธรรมชาติเป็นพลังของธรรมชาติที่มีอยู่โดยทั่วไปอ่ะเป็นการกระแสะขึ้นของพลังงานเนี่ยเกิดกับดับเนี่ยเป็นตัวแปลง พลังซึ่งมันเป็นนามธรรมเนี่ยให้เป็นรูปธรรมได้ที่ไอ้ตัวนามธรรมา ท, ที่มันเป็นพลังงานในรูปของวัตถุที่ว่ามีสาสารพลังงานใช่ไหมเราก็มาสมมุติว่าสาสารนั่คือรูปพลังงานคือนามแต่จริงๆแล้วพลังงานมันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่จะเกิดจากแต่เราก็สมมติว่ามันเป็นนามเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเสร็จแล้วมันจะ พลังงานตัวนี้ที่มันเป็นน้มเนี่ยมันจะมันจะเกิดมาเป็นรูปเนี่ยมันก็จะมาผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเกิดและการดับนะคเรียกว่าความที่ <c oughs> ความที่การเกิดดับตัวหนึ่งเกิดตัวเตัวเกิดดับนี่ก็ขอให้เกิดแล้วจากรูปที่จะไปเป็นน้มก็ผ่านการเกิดดับเหมือนกันเพราะนั้นตัวเกิดดับก็จะเป็นเหมือนสวิตช์ไฟหรือสะพานไฟขึ้นลงเอขึ้นเป็นเกิดเอาลงเป็น ดับ น, นี้เป็นต้นถ้าเอาขึ้นมันก็เกิดแสงสว่างเอาคัดเอาขึ้นถ้าเอาลงเอาให้ดับถ้าปรจาจจากคัดเอาตรงนี้ไม่มีสถับสะพานไฟก็อันตรายใช่ไหมต่อตรงแต่นั้นเองเราก็ชีวิตของเราก็มีดำเนินจากสองมาเป็นสเป็น8ดเป็น16แตกตัวไปเรื่อยๆเป็นอะมีบา นจนกระทั่งมาเป็นชีวิตของเราทีนี้เมื่อเราจะเข้าถึงต้นตอของชีวิตก็ย้อนจากหลา ก, หล า, ก, ห, ลากหลายๆที่ไม่แยกตัวกลับไปหาต้นตอนเดิมของมันย้อนไปถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ต้นตอเราก็จะสับสนเรื่องราวของชีวิตทีนี้เรามาพูดถึงในช่วงที่เราจะเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็นสื่อทำความเข้าใจว่า ในเมื่อออกมาเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันจะพัฒนามันยังไงก็ตามออกมาเป็นรูปเป็นนามของเราก็แล้วกันแล้วเราก็เกิดความรู้สึกชีวิตเนี่ยที่เป็นชีวิตมีจิตใจเกิดเป็นความรู้สึกกายก็มีความรู้สึกของกายจิตก็มีความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของกายก็ดีความรู้สึกของจิตก็ดีมันก็เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันกายจะ รู้สึกไม่ได้ถ้าขาดไม่มีใจใช่ไหมและใจก็จะรู้สึกไม่ได้ถ้าขาดกายนี่มันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่แต่เพื่อง่ายต่อการศึกษาบอกว่ากายความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางกายมีสองอย่างคือสบายและไม่สบายว่าโดยอาการมันมีเยอะเย็นรอนอ่อนแข็งเข่งถึงเจ็บปวดเมื่อยเพื่อแล้วก็ว่าไปโดยอาการแต่โดยประเภทแล้วมีแค่สองคือ อาการานี้จะมีกี่อาการก็จามแต่จะเหลือสองประเภทคือความรู้สึกสบายและไม่สบาย mm hmm. ทีท่ทีนี้จิตของเราก็เหมือนกัน mm hmm. จะจะเป็นความทุกข์ทรมานทุกตุนหมุนไหม้หรือความสุขเลิศเลอหลาิพันความยินดีความพอใจยังไงก็ตามแต่สรุปแล้วก็เหลือสองเหมือนกันก็คือความรู้สึกสบายใจและไม่สบายใจนั่นเอง mm hmm. ทีนี้เมื mm ่อ hmm. เรามาปฏิบัติกรรมาฐานเราก็จะเอาตัวความรู้สึกทั้งสงด้านนี่แหละมาเป็นนิมิตมาเป็นที่ตั้งของอารมณ์ถ้าเป็นสมรถรกรรมาฐานก็จะพยายามเอาตัวความสบายไม่สบายของกายนีย่เป็นเป็นนิมิตคือความสบายไม่สบายของรูปเป็นนิมิตเป็นที่เพ่งเป็นที่ตั้งของการรู้จิตก็สงบเพราะว่ามันเห็นอาการนั้นชัด นาะเหตุาการนั้นชัดแล้วเรียกว่าสมถภ า, าวนาโดยเอาความรู้สึกของรูปเป็นที่ตั้งหรือเอารูปเป็นที่ตั้งหรือความรู้สึกของรูปเป็นที่ตั้งเรียกว่าสมถะแต่ที่ได้กล่าวกางวันนะ่ะถ้าเอารูปเป็นที่ตั้งฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีนามเลยเนี่ยสมถะแบบนั้นก็เป็นสมถะแบบไหนแบบนอกพุทธศาสนานะแต่ถ้าหากว่า รูปนั้นที่มีเกี่ยวข้องด้วยนามด้วยไม่ใช่รูปฝ่ายเดียวแต่มีนามด้วยอย่างความรู้สึกปวดอย่างเงี้ยมันมีทั้งรูปทั้งนามอยู่ในนั้นใช่ไหมเราก็เอาความรู้สึกปวดเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรรมฐานเรียกว่าสมถะที่เป็นแบบพุทธศา ส, สนานะแต่ถ้าเราไปเพ่งรูปแก้วเพ่งผ้าเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของอารมณ์เพ่งเทียนถูกเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้คือเพ่งวัตถุฝ่ายเดียว ไม่มีนามอยู่ในนั้นก็เรียกว่าเป็นสมถานอกพุทธศาสนาให้เข้าใจนี่ก่อนนะดังนั้นการปฏิบัติในวิธีการของพุทเธียนที่ถูกต้องคือใช้ทั้งความรู้สึกทั้งในรูปและในนามทั้งในกายในใจมาเป็นนิมิจจำรฐานไปพร้พอมๆกันทําทั้งสมถาวิปัสสนาไปพร้พอมๆกันถ้าใครจะมาถามว่าวิธีการของพุทเธียนเป็นสมถะหรือเปล่บอกเป็นได้ทั้งสองอย่าง แล้วว่าแต่ในช่วงไหนคุณจะเอาความรู้สึกอันไหนเป็นนิมิตอารมณ์เป็นที่ตั้งของอารมณ์เพราะบางครั้งเนี่ยใจของเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีความรู้สึกเส ม, มอไปใช่ไมบางครั้งมันก็ เ, เฉยๆมีความสบายก็ไม่มีความไม่สบายก็ม ไ, มยมไม่มีใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกทางกายยังมีอยู่ไหมมีอยู่นี่ลักษณะนี้เราก็เอาความรู้สึกทางกายเป็นอารมณ์นี่เป็นสมถะบางครั้งจิตเร่ก็จะมาอยู่สมถะ เพราะจะในอารมณ์ทางจิตมันไม่เกิดก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นนิมิตอารมณ์แต่กรรมฐานชั้นสูงแล้วถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกสบายไม่สบายทางจิตมีความคิดหรือไม่คิดทางจิตไม่มีแต่เอาอาการว่างๆจากนั้นนะเป็นอารมณ์อันนี้เขาเขาเลือกกรรมฐานชั้นสูงขึ้นไปเป็นสมถะเรียกว่าอารูปฌานดังนั้นก็มีอรูปฌานสี่ ทีนี้เราก็จะไม่พูดถึงอันนั้นอรูปฌานมันเกินจําเป็นเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกอย่างไหนที่เราจะเอาเป็นที่ตั้งของวิปัสนาได้เพราะได้กล่าวแล้วว่าความรู้สึกที่เป็นรูปความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเนี่ย <c oughs> เป็นที่ตั้งของอารมณ์สมถะแบบพุทธที่เอื้อต่อวิปัสนาแต่ถ้าอารมณ์ที่เป็นวิปัสนาโดยตรงนั้นคืออย่างไร ยาอาการของจิตเนี่ยอาการของพอใจไม่พอใจอาการชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเป็นอาการของกายหรือเป็นอาการของจิตฮะชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ดีรักเกลียดโกรธโลภหลงเนี่ยเป็นอาการของกายหรืออาการของจิตเป็นอาการของจิตการที่เราเอาอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูเรียกว่าวิปัสนาเพราะมันเป็นอาการของจิตนะ ถ้าเราเอาความปวดความเมื่อยเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูก็เป็นสมถะแต่ถ้าเอาความพอใจไม่พอใจความชอบรักเกียรติชังเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูชื่นเอารู้สึกพอใจก็ดูความพอใจเอาความพอใจเป็นอย่างนี้ความไม่พอใจอย่างนี้การเข้าไปดูความพอใจไม่พอใจความชอบรักเกียรติชังเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดูก็เป็นวิปัสสนาทีนี้ถ้าจะถามว่า เมื่อความรู้สึกทางจิตเป็นที่ตั้งองการเฝ้าดูความรู้สึกทางกายเป็นที่ต้องการแล้วตัวรู้ที่เป็นตัวผู้ดูน่ะเกิดจากอะไรอ่าอะไรเป็นผู้ดูแต่ที่นี่เราพูดถึงมีสิ่งที่ถูกดูใช่ไหมความรู้สึกทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงยิ่งตึงไว้เป็นส่วนที่ถูกดูความสบายไม่สบายกายเป็นสิ่งที่ถูกดู ความพอใจไม่พอใจเป็นสิ่งที่ถูกดูแล้วผู้ดูเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากนามหรือเกิดจากรูปหน้าที่เรงถ้าพูดถึงถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงย้อนไปถึงหน้าที่ของจิตจิตประกอบด้วยขันกี่ขั น, ข น, ขนฮะอา้าวืไปแล้วอ่ะ รรเราัได้วยขันกี่ขันห้าขันใช่ไหมห้าขัน ห, ข, นหขันก็คืออะไรบ้าง ร, ญญารูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในตัวห้าขันเนี่ยมันเป็นตัวรู้โดยธรรมชาติมันเป็นตัวรู้โดยสัญชาตญาณที่มันไปอยู่ไกลๆ ก, กับรูปกับนามเมื่อกี้ที่เราว่ามานะประกอบด้วยขันห้า น, นี้แต่ตัวผู้รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาตรงไหน เพิ่มเข้าไปอีกสามขันเรียกว่าขันแปดสามขันนี่คืออะไรศีลขันสมาธิขันปัญญาขันคือด้ยินไหมขันสามอะศีลขันสมาธิขันขันห้ารูปเวทนาฉัญยาสังขารวิญญาณแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาขันเป็นขันแปดนั้นเวลาอีสานเขาจะทําอะไรอ้าวขันห้าขันแปดด้วยขันแปดด้วยขันห้าพอเข้าใจแล้วขันแปดมาจากไหนเราไม่เคยทวงถามใช่ไหม แต่คงจริงมาจากตัวนี้ก็คือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันทั้งสามเนี่ยกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญานี่เองมารวมเป็นตัวรู้เพราะนั้นตัวรู้ตัวนี้จึงเกิดจากตัวขันสามนั่นเองแล้วขันสามนี่มาจากไหนเพระาะฉะนั้นต้องย้อนลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่าถ้าหลวงพ่อเห็น ต้นไม้โอ้ต้นไม้ดอกไม้นี่สวยจังเนาะพ่อรู้ถูกหรือรู้ผิดในแทนเนะอ อ, อ, อ, อดอกไม้นี่สวยจังเนี่ยพ่อรู้ถูกต้องไหมรอบแทนแต่พี่รอไม่ถูกไม่ผิดอ่าทำไมจิงเก่าอย่างนั้นทไมจิงเก่าอย่างนั้นเพราะดูแล้วเออดอกไม้นี่สวยจังก็บอกว่าไม่ถูกนะแต่ถูกมันควรจะเป็นยังไงควรจะดูว่าไงมันเป็นดอก เออใช่มันเป็นดอกไม้ดอกไม้คืออะไร oh. ในท่าในวันหลวงพ่อดูว่าเออดอกไม้นี่สวยจังเนี่ยถามแทนบอกว่าหลวงพ่อดูอย่างนี้ถูกไหมบอกไม่ถูกแต่ที่ถูกคนจะเป็นยังไงการดูดอกไม้นี่คนจะดูยังไงถึงจะถูกก็เป็นดอกไม้ธรรมดามันก็ ย, ยังเป็นดอกไม้อยู่มันก็ ย, ยังไม่ถูก คุณอุ้มรู้ดูดอกไม้เป็นยังไงถึงจะดูถูกอ่าดูดอกไม้เป็นรูปใช่ไหมถ้ารูาด้ดอกไม้เป็นดอกไม้นี่เราดูเป็นสมมุติไม่ใช่รูปแต่ถ้าดูไม้เป็นรูปนั้นถึงจะเป็นปรมัดคือทุกอย่างที่ตาเห็นทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ารูปหมดจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเพราะฉะนั้นจะดูดอกไม้ว่าสวยไหม ในเงีของวิปัสสนาก็ผิดนะเพราะว่าเราดูเป็นสมมุติไปนะแต่ถ้าปรมาท่านจะเอาวิปัสสนาในวิปัสสนานั้นเอาปรมัาทเป็นอารมณ์ใช่ไหมวิปัสสนาเอาปรมัาทเป็นอารมณ์แต่ในสมถา น, นั้นเอาสมมุติเป็นอารมณ์เอออันนี้ลึกไปหน่อยนะดังนั้นถ้าเราดูความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเข็บปวดเนี่ย เป็นสมมุติแล้วเป็นประมรัตความรู้สึกทางกายเป็นสมมุติว่ามันปวดอย่างนี้แต่ความจริงมันก็คืออะไรรูปนั่นเองรูปของความปวดรูปของความเจ็บรูปของความสารรูปกองมสบายดูว่าเออนี่เป็นรูปพอเรารู้ว่ามันเป็นรูปกฎของรูปทั้งหมดทั้งปวงในรูปทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีกฎอยู่สามอย่างคืออะไรต้องไปไปตามกฎอันนี้ทั้งนั้ น, น, าานอะไรนะ โอเลียงผิดไปเลียงถูกก็จะเป็นอะไรได้อันนี้ใจใจห <laughs> ลวงพ่อเทียนท่านก็เลี้ยงว่าทุกขังกันนะทุกขังอันนี้ยน่าจายใช่ไหมเพราะเอาอาการที่เด่นเด่นมาเป็นในนั้นก่อนแต่ลักษณะคือมันจะต้องประกอบไปสามอย่างสิ่งที่ว่าเป็นมันไม่ใช่ของจริงเพราะมันจะต้องเป็นไปตามกฎของใจลักสามอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่สิ่งที่จะเป็นอารมณ์ของที่ตั้งของการเฝ้าดูเนี่ย มันจะต้องเป็นตัวปรมามัดทางด้านวิปัสนาดังนั้นหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อดูดอกไม้ว่าสวยเนี่ย<ม>ก็ถือว่ารู้ผิดเพราะว่าความสวยงา ม, มสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเพียงรูปเป็นรูปอันหนึง่งตาเห็นเนี่ยรูปอันนี้นใครอ๋อถามโยมโยมเลียวหาใครโยมเป็นใคร มัสวัสด์นี่ไม่ถูกแล้วเป็นรูปเอาตอนนี้เป็นช่วงฟังไม่ใช่เปช่วงมาเคี้ยวอะไรเอาไว้ก่อนหลังเออหลังจากนั้นก่อนเออไม่ยาอย่าเพิ่งกินเออย่าเพิ่งทานเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอะไรเนี่ยถ้าดูยานี่เป็นอะไรคจริงยานีะเป็นสมมุติใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่ยาเขาเรียกว่าอะไร รูปอ่าเป็นรูปอันหนึ่งแล้วก็ดูทุกอย่างเป็นรูปถ้าดูเป็นยาแล้วความเจ็บป่วยก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าดูเป็นยาเขาไป็นรูปเราเป็นรูปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกินรูปกินรูปพ่อเราก็มีรูปอยู่แล้วมันก็จะได้ไม่กินยาเพราะดูรูปของความอืดท้องความรู้สึกท้องอืดเฟ้อเลิมเหม็นเปรี้ยวนี้เป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนาเป็นรูปใช่ไหมคือรูปของความไม่สบายอ่ารูป มันก็จะต้องมีอาการกี่ยงสิ่งไหนที่เป็นรูปสิ่งนั้นจะมีอาการกี่อย่างเสมอสามอย่างคือมันเป็นนิจจงทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นในแทนถ้าในแทนว่าฉันปวดท้องนี่ไม่ถูกแล้วว่ารูปมันไม่สบายเราก็ไม่ยึดถือความไม่สบายก็ดูความไม่สบายเออเนี่ยความไม่สบายสักแต่ว่าไม่สบายมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้วสบายหรือไม่สบายถ้าเราไปยึดมันก็จะไปทุก แต่รู้สบายไม่สบายทุ ก, ก็ออมันถูกต้องแล้วมันทุกเพราะมันเป็นหน้าที่ของมันนะเพราะมันต้องทุ ก, กใช่ไหมเพราะเป็นก่นของใจรักอ่ะแต่ถ้ามันไม่ทุกเดี๋ยวมันผิดอ่ะแต่ถมันทุกมันถูกแล้วแล้วก็เข้าใจมันในที่สุดเราไม่ต้องกินยาเพราะยอมรับความเป็นจริง <laughs> อ๋อปวดก็เดี๋ยวก็ดูความปวดไปเรื <laughs> ่อยๆหลงพ่อรักยาปฏิบัติโอ้เ <c oughs> พราะอะไรไม่รู้ไม่รู้ตอนเหตุตอ่ะต้องทานอ่ะ เราไม่ได้ทานดูเหตุมันว่าทานอะไรเข้าไปถึงผิดทาตัวเองเออนั่นแนี่ยเราก็ดูท่าของเราดังนั้นอันนี้คือชีวิตประจําวันเราสัมพันธ์กับความจริงแต่ละเวลาแต่เราไม่ได้เห็นความจริงเอาล้วทีเมื่อกี้หลวงพ่อเกินเอาไว้ว่ารู้อย่างไรถูกรู้อย่างไรผิดเพ่อหลวงพ่อพูดถึงว่าตัวรู้มาจากไหนใช่ไหมที่หลวงพ่อเริ่มเกินเมื่อกี้รู้รูปก็มีสองรู้คือรู้สึกในส่วนที่สบายไม่สบาย แต่ส่วนนามก็มีสองรูปคือนรูปส่วนที่สบายและไม่สบายเหมือนกันสบายใจไม่สบายใจสบายกายไม่สบายใจแต่ใครเป็นผู้รู้อ่าหลวงพ่อก็บอกเออสีนสมถิปัญญามาเป็นแล้วศีนสมถิปัญญามาจากไหนพอขันห้าเรารู้ที่ไปที่มาละวใช่ไหมแต่ศีนสมที่ปัญญามันมาจากไหนออกมาเขาตั้งคําถามขึ้นมาว่าพอไปเห็นดอกไม้เนี่ยพอไปเห็นดอกไม้เออเราบอกว่าดอกไม้นี่สวย ถามเด็กถามในแทนว่ารู้ถูกหรือรู้ผิดก็ว่ารู้ผิดรู้ถูกคนจะรู้ยังไงรู้ว่าดอกไม้นี้เป็นอะไรเป็นรูปอ่าอันนี้รู้ถูกคือรู้ว่าเป็นรูปแต่ถ้ารู้ว่าเป็นดอกไม้นี่รู้รู้ผิดจากความเป็นจริงแต่มันถูกตามสมมุติแต่มันผิดปรมัิแต่พอไปรู้ว่าเป็นรูปมันถูกปรมัิแต่มันผิดสมมติเห็นไหมอ่าปรมั ความจริงความจริงจะมีหนึ่งเดียวรูปในทั้งหลายในโลกนีที่ตาสัมผัสได้เป็นรูปหมดนะก็คือเป็นสมมติหมดเป็นสมมติหมดที่ตาสัมผัสได้หูสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้เป็นรูปหมดแต่สิ่งที่สัมผัสโดยโด้วยใจนั้นเป็นนามนามีรูปเป็นปรมัด ป, ปรมรัดคือใจสัมผัสได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายนายี้ กายสัมผัสได้เป็นสมมุติเอาละทีนี้กำลังจะมาสู่ประเด็นว่าตัวรู้เนี่ยมาจากไหนรู้ถูกรู้ผิดมาจากที่ว่าวิชาอาวิชาใช่ไหมถ้าเรารูอ้อันนี้เป็นรูปความรู้นั้นถูกตัวนั้นแหละเป็นผู้รู้คือตัวรู้ถูกนั่นแหละเป็นผู้รู้แต่ตัวรู้ผิดก็เป็นผู้รู้เหมือนกันแต่รู้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นสมุทัยแต่ผู้รู้นั้นรู้ถูกต้องเป็นตัวรู้ตัวนั้นเขาชื่อใหม่ว่านิโรธคือตัวผู้รู้ตัวนั้นเป็นวิชาเพราะนั้นเราที่มาสร้างตัวเนี่ยมาสร้างตัวรู้ใช่ไหมเรามาสร้างอะไรสร้างวิชาที่สร้างตัวรู้ขึ้นมาและในตัวรู้ตัวนี้มันจะคอนเทนเอาศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นกําลังฝึกตัวรู้ตัวนี้ก็มาฝึกอะไรฝึกศีลสมาธิปัญญา อ่าแล้วขณะที่เราฝึกเนี่ยมันมันรู้ตัวตลอดไหมไม่เผลอเลยใช่ไหมยศว่าตลอดคือว่าที่หลวงพ่อพาเดินไม่ตอนนี้หลวงพ่อกาลังถามตอนนี้ไม่ได้พาหลวงพ่อพาเดินไม่คือว่าตัวรู้ตลอดใช่ไหมอ่ตอนนี้รู้บ้างไหมรู้เผลอบ้างไหมตอนนี้เผลอไปเยอะแล้วคิดไปเยอะแล้วอ่าเผลอเพราะในช่วงที่เผลอก็มี คิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้จะเอาอยัางไงนะ่าฉันจะไปบัดอย่างไรจะอยู่กับใครจะนอนอยังไงเนี่ยตรงนี้เผอคิดไปแล้วใช่ไหมนั่นคือตัวรู้ขณะนั้นตัวรู้ถูกไม่มีมีแต่ตัวรู้ผิดคือเข้าไปในความคิดเผอเน่เห็นไหมขณะตลอดเวลามีทั้งตัวรู้ถูกและรู้ผิดถ้ารู้ถูกก็จะนําไปสู่ตัวรู้ที่นําไปดับทุกถ้ารู้ผิดก็จะนําไปสู่ตัวรู้ที่ทําให้เกิดทุกช่วยไหมนี่ ทำกันอย่างเงี้ยคือเราคอนเซนเทรตอยู่ที่ผูา้าจาร์พูดเราก็ฟังเราก็พยายามทำความเข้าใจมือเนี่ยเรารู้ว่ามีแต่ว่าเราไม่ได้เพเอนเซนตรงนี้อย่างนี้ถือว่าถูกหรือผิดนะคะก็ในดูวาระจิตของเราเองเนี่ยเราสามารถรู้ได้ขณะเดียวกันถึงเจ็ดขณะ<อ>ขเราเจ็ดชว น, นจิตจิตของเราเนี่นะความเร็วของมันจนะิตชวนานะ ในขณะหนึ่งห น, น, นึ่งเนี่ยเราสามารถรู้ได้เจอย่างในเวลาเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แค่2อย่างคือการฟังกับการยกมือเพราะนั้นเหลืออีกตั้ง5้าอย่างสบายมากอ๋อมันยังไม่คุ้นถ้าัก็ต้องฟังอย่างเดียวอไม่เวลาโยมทำงานเนี่ยโยมคุยกันไหม รับจานอย่างนี้คุยได้ค่ะอากดิจเป็นไม่กล้าคุยอ๋อนี่เหมือนกัน <c oughs> เวลาขับรถอะคุยโรสัมด้วยใช่ไหมคุยคในรถ ด, ด้วยใช่ไหม <c oughs> มือเหยียบนั้นด้วยใช่ไหจับพวงมลาลัยด้วยใช่ดูรถคันอื่นด้วยใช่ไหตั้งเยอะแยะเลยไม่เห็นงงเลย <c oughs> เพราะในกระนินเราคุ้นแล้วค่ะ <c oughs> จิตของเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ตั้งเยอะแยะรอบๆเนี่ยหคนขับรถอะรถขา น, นาจะไปโคดรข้างหลังจะมาอา้เท้าจะเหยียบยังไง ร, รอบจัดหมดเลยจิตมันมีความเร็วสูง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังลวลเลยมันจะไม่พอแต่ในกรณีที่มันไม่พอเพราะเรายังไม่คุ้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเออสร้างจังหวะมาด้วยฟังมาด้วยไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราฟังรู้เรื่องแล้วเคยสร้างจังหวะก็ถูกต้องด้วยเนี่ยมันก็ถูกแล้ว <c oughs> เออถ้าฟังไม่รู้เรื่องด้วยเราก็สร้างจังหวะผิดคือ ผ, ผ, ผิดด้วยอันนั้นก็ผิด <c oughs> ขึ้นอยู่ว่าในขณะทำเนี่ย <c oughs> ต้องต้งดูเป็นกรณีไปเฉยว่าตจะสนินว่าถูกหมดก็ไม่ผิดหมดก็ไม่ใช่เพราขะขนาดสร้างจังหวะเนี่ยฟังก็รู้เรื่องมือก็ทําได้ถูกก็ถือว่าศักยภาพของตัวรู้นั้นพอที่จะรู้ได้แต่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> พอฟังแล้วยกมือแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังรู้เรื่องแต่มือท้อผิดนี่แสดงว่าศักยภาพของการตัวรู้นั้นไม่พอก็ต้องฟังอันใดอันหนึ่งเข้าใจไหมโอเคถ้าฝึกต่อไปอเขาก็จะชินกับการ รับรู้ได้มา ก, มากขึ้นยิ่งเชิชินยิ่งคุ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ได้มากขึ้นเหมือนคนที่ขับรถใหม่ๆจะดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาไปไงเดี๋ยวรถชนกันเลยใช่ไหมเพราะมันไม่พร้อมไม่พร้พออันนั้น<ม>อราจะไปยังอากาศที่นี้แต่ถ้าคนที่เป็นแล้วคิ้วไปหมดเลยใช่ไหมรถจะคันใหญ่ก็ไหนถอยหนา้าถอยหลังได้สบายมากแต่คนที่ขับรถไม่เป็นถอยนิดเดี๋ยวก็ชนปึ ng เลยใช่ไหมขึ้นอยู่ก็มีทักษะใช่ไหม เออเฟังได้ดังนั้นก็มีฮะมันจะไม่กลายเป็นสันทัตญาเอ๋อจะกลายเป็นสันชัตญาณหรือไม่นั้นเราเข้าใจมันได้ไหมว่าขณะที่เราฟังด้วยเราก็ทํานี้หรือทําเพื่ออะไรเนี่ยเรารู้เข้าใจไหมเข้าใจได้ไม่เป็นสันชัตญาณแต่มันก็เป็นญาณปัญญาเพราะว่าอย่างน้องให้ขณะที่นั่งฟังเฉยๆนะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยความถี่ของจิตมันสูงแต่ว่าสิ่งที่มันรับรู้ขนณะนี้ยมันมีโทนเดียว มันไม่พอมันกําลังเรามีเยอะเยอะแต่ไปทํางานนิดเดียวเนี่ยโอย้ผมไม่อยากทํางานง่ายเกินไปเบาหนิดเดียวให้ใครทําก็ได้ใช่ไหมในทั่วไปเนี่ยเออไปยกถุงปูนถุงมาได้ห้าสกิโลเอ อ, อย่างนี้ไปเพราะมันสมกับกําลังของเราเ อ, อันี้ไปเอาแก้วมาให้หน่อยเดียวแก้วคุณใช้ใครก็ได้ไม่ต้องใช้ผมก็ได้ผมมีกําลังเรื่อยะจิตของเรามีพลังสูงแล้วให้มันทํางานเล็กนิดเดียวเนี่ยมันตเตลิดไปทางอื่น มีไหมเราฟังไปฟังมาเราเพลินขี้ไปข้างอื่นหูก็ฟังไปจิตก็แช้บ่อยใช่ไหมอ่แต่เออได้ไปเรื่อยไปเรื่อยเห็นไหมพ่อไม่มีตัวปรับโฟกัสเพราะนั้นการยกมือนี่ยมันตัวปนปรับโฟกัสให้ให้รู้สิ่งเฉพาะหน้าได้ชัดขึ้นนะเพราะจิตมันมันไม่เผลอไปทางอื่นเพราะมีตัวนี้ล็อกมันอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับการฟังมีน้ำหนักขึ้น เพราะมีตัวตวนี้ค่อยปรับโฟกัสไม่ให้จิตแฉลบไปบทางอื่นเพราะตัวนี้คอยปรับโฟกัสเอาไว้เพราะฉะ น, นจึงไม่เป็นภาระอันนี้การวิเคราะห์ข อ, ของหลวงพ่อน ะ, ะพราหลวงพ่อก่อนที่จะบอกให้ทําก็ทดสอบเพราะว่ามันบาลานซ์กันว่าจิตเออมันมีกําลังทํางานสน้ำมสมเนื้ อ, อทำภาระฝังไปด้วยแล้วก็ทำภาระในการเคลื่อนไหวไปด้วยนะะ เอาละทีนี้ประเด็นที่หลวงพ่อต้องการสื่อก็คือว่าระหว่างผู้รู้กับตัวที่ถูกรู้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะทำยังไงให้ระหว่างตัวสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยให้ทำงานร่วมกันและผู้รู้ในทีนี้ต้องเป็นผู้รู้ที่ถูกต้องเท่านั้นที่เราต้องการใช่ไหมถ้าผู้รู้ผิดนี่ไม่เอาอย่างสมมุติว่า แต่ว่าเราก็จะเป็นต้องรู้ถ้าเรายังฝึกไม่ถึงเช่นว่าเราดูดอกไม้คนที่ฝึกยังไม่ถึงก็ดูดอกไม้ก็ยังเป็นดอกไม้ยังเข้าอย่างใช่ไหมแหมถือว่าผิดก็ต้องรู้ไปก่อนเพราะไม่มีทางเลี่ยงแต่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเห็นดอกไม้ก็คือรูปอันหนึ่งมันไม่ได้เรียกว่าดอกไม้ละอคอยมีประสบการณ์ว่าเวลานั่งสมาธิเค่ะแต่ผู้ถูกรู้คือตัวเราเนี่ย ตัวนึงแต่ยังว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ทราบมาจากไหนเลว่าแล้วประเด็นที่ถามก็คือว่าตัวรู้ที่รู้อยู่นั้นคือมาจากไหนใช่ไหมเพราะนั่นเองเรากำลังพูดนี่ไงฟังไปอีกนิดนีงไม่เชยังไม่จบอกำลังจะพูดถึงอยู่เนี่ยยังไม่จบเพราะฉะนั้นตัวรู้เรากำลังสร้างนี่ไงมันมาจากตัวที่เราสร้างขึ้นใช่ไหม ลมหายใจเนี่ยเราหายใจมันได้อ้อนได้ออกแต่มันเคยเป็นกรรมฐานให้เราไหมไม่เป็นใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้สร้างตัวรู้ไม่ได้สร้างผู้รู้คนใช่ไหมไม่เป็นกรรมฐานธรรมดาไม่เป็นอ่าไม่เป็นเพราะมันมีแต่ธรรมชาติยังไม่เป็นกรรมฐานจนกระทั่งมาวันหนึ่งเราได้เรียนได้ศึกษาได้ฟังท่านผู้รู้ว่าเออเนี่ยคุณตามรู้ลมหายใจนะเจตนาตามรู้เกิดขึ้นในขณะนั้น ปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมโดยนั้นเขาเรียกว่าเกิดสูตรตะเมื่อยะปัญญาก่อนอ๋อได้ยินว่าหายใจเข้าเอาเนี่ยถ้าตามรู้เนี่ยมันเป็นกรรมฐานนะถ้าไม่ตามรู้เนี่ยเป็นสัญชัดยานนะใช่ไหมมันก็เริ่มมีตั้งแต่ตัวรู้ก็คือตัวปัญญาปัญญาเกิดจากหนึ่งได้ยินได้ฟังก่อนหรือได้อ่านมาก่อนสองลองทํำดูเออจริงนะเมื่อก่อนเราไม่รู้มันลึกมันตึ้นเราหายใจไปเรีบไปเลยเดี๋ยวนี้รู้ดึวเออขณะที่ หาจะเข้านี่มันมีรู้ชัดๆเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ตัวรู้ลงเกิดแล้วใช่ไหะแล้วก็ทำตามพิสูจน์ออก่าเป็นภาวนามาย์ปัญญานั่นเพราะฉะนั้นตัวรู้ตัวนี้ก็คือตัวเกิดจากปัญญาและปัญญาตัวนี้เกิดหนึ่งเกิดจากได้กินได้ยินได้ฟังสองนำมาพิจารณาให้คนหาเหตุผลสามมีการพิสูจน์ก็เป็นขบวนการตัวรู้คือขบวนการเกิดโดยปัญญาแต่ถ้าเราทําย้ำํยำๆๆไปเลยตัวรูต้ตรงนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นจาก โมไม่ขีดก็เป็นเทียนไขจากเทียนไขก็เป็นดวงไฟอย่างนี้นะก็โตขึ้นไปเรื่อยๆแสงสว่างก็มากขึ้นเราถึงมาเพิ่มตัวรู้ตัวนี้ให้มากแต่ว่าขนาดนั้นมันนั่งทํานี้ก็ยังไม่พออีกนะต้องไปทํายังไงถึงมันพอดวงสว่างมันนั่งทําแค่นี้ไม่พอหรอกเดี๋ยวลุกไปก็ขาดแล้วนี่แต่ทํายังไงให้มันพอยมเกรดทำยังไงให้มันพอ เอนอนานนะเป๊ะ <laughs> เลยถูก <laughs> ต้อง <laughs> ต่อเนื่องที่นี่จะทําไงให้มันต่อเนื่องมันทําดอา่าเผลออยู่เลยต้องมีสติต้องมีต้องมีตามต้องมีศรัทธาที่จะรูะะ้มีความพอใจมีความรักที่จะรู้<ม>ที่จะตามแต่ถ้าเรามีความรักมากพอเราก็ตามบ้างไม่ตามบ้างใช่ไหมความต่อเนื่องก็ขาดไปแต่ถ้าหากว่าเรา นั่งทํอยาี้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยไหวไหมทั้งวันไม่ไหวนะพราเดี๋ยวมันมีเรื่องที่ต้องไปทํามีเรื่องต้องคิดอะ่ะแต่ยมชอบที่ท่านอาจารย์สอนว่าตึ ง, ตงมันตึง ม, มันไม่สบายขึ้นมาแล้วอะ่ะก<อ>็ให้ดูความเวทนาเสร็จท่านบอกให้อนุญาตให้เปลี่ยนท่าอืมพอเปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนก็มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วทีนี้เดินไปเดินมาอะไรก็พาให้รู้สึกยงว่า ดีทั้งวันเลยทั้งวันรู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยไม่ขาดสายไม่ขาดสายใช่นั่นเลยว่าดีเอายจะไม่ดีได้ยัไงใจใต้เนี่ยมาดินอย่างี้มีความรู้สึกตัวทั้งวันเลยอ๋อรู้อย่างนี้น่าจะมาตั้งนานแล้วใช่หมมาช้าไปเลยตัวเริมไปนึ่งเที่ยวแล้วเสียเปล่าเออ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อันนี้ส่งมันอย่างนี้แล้วเราก็อย่าทิ้งตั้งแต่วันนี้ไปอนะคือตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปจนกระทั่งว่ามันรู้ทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อไหร่รู้ทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วทีนี้แหละมันก็จิตของเรามันก็จะไม่ออกไปโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมก่อนนี่เราไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราไม่ได้ใส่ใจมันว่ามันหายไปกี่ตัวมันอยู่กี่ตัวนะมันทำท่าหายจนใจหมดข้อเยู่แล้วถึงรู้มันหาย เนี่ยยชมาเลยจะดีจะยมากมากที่สท้กท่านแ่ย่าโยี้เรื่องบุญบุญเพื่เกิดยนี่เองาอยู่วันตั้งนานทาบุญมานนานแโยมยังไม่ดีอยู่ฮะถือว่าที่ไม่ดีเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาพอเชือกมัดเสร็จเปิดแดดรีบๆเพราะจะรีบมาวัดทากับข้าวก็เอาเชือกมัดทิ้งรไปคือมันใส่ทิ้งไปพอของขึ้นแล้วก็จะหาเชือกมัดผูกผูกกับ <c oughs> ที่ออกไปไว้ตรงไหนเข้าเลยบอกขาดสติ<ะ>นึกใจเอ๊ะถ้าเร็วๆสติตามไม่ทมันเ <c oughs> พราะอันไหนก็ตามที่เราขาดนะมันก็จะไม่ทันขาดช่วงไปเพรานะนั้นท่านจึงพยายามจับตัวเนื่องเพื่ออะไรเพื่อะไรเกิดขึ้ น, นมันจะเยโ ย, ยงได้ว่าเออมันมาจากไหนไปไหนไนะคือ <c oughs> ทำ เ, เร็วๆเพราะเร <c oughs> ายังไม่ยังไม่ได้เข้มแข็งพอจะทำเร็วไม่ได้ต้องฝึกอย่างนักมวยเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันจะไปชกเร็วไม่ได้ ก็ะซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะได้ลึกได้เร็วขึ้นเดรยวขึ้นเร็วขึ้นเลยลึกปั๊บปัะงั้นคนที่ลึกอะไรได้เร็วปั๊ปั๊บปโดยมีสายสายหมายความว่าสติมันอยู่ตัวแล้วแต่ถ้าคนที่สติไม่อยู่ตัวต้องคอยนึกมาทีละอย่างละอย่างละอย่างแต่คนที่ทำแล้วคอยระลึกจนชํานาญแล้วเนี่ยลึกในตัวเนี่ยนะมันระลึกจนชํานาญทั้งหัวหยดเท้านี่ ถ้าหากว่สามารถระลึกได้ถึงหัจเท้าตลอดเวลาความรู้ความจําของเราจะฟื้นกลับคืนหมดเลยอใช่ไหมนั่นแสดงว่ามีอนาคตอยู่มีอนาคตอยู่ยมสวัสดฟังเอาไว้นะมีหวังแลนะตามเขาไม่ทันแน่นเลยงานนี้ถ้าคืนถ้าคืนเอาเอาหยู่หยุดอย่างงี้นะหายไปไกล เพราะฉะนั้นนี่โยมมาเรื่องได้ขนาดนี้นแต่ว่าคนหนุ่มข้างหน้าเนี่ยได้เปรียบเพราะอเขาเพิ่งมีอายุเท่านี้เขาเพิ่งมาเจอถ้าโยมเพ้่มาเจอถ้าอายุเท่านี้จะไปถึงไหนแล้วใช่อหมแต่ว่าเขาดูประการสํคาคัญธ์เขามีศรัทธาหรือไม่เท่านั้นถ้าเขามีศรัทธาแบบโยมแล้วเขาก็ประกากว่าโยมหลายเท่าเพราะฉะนั้นเด็กเราก็เพิ่มอย่างเดียวคือเพิ่มแต่ศรัทธาอย่างเดียวนะปัญญามีพร้อมแล้วแต่เอามาก็หวังว่าในตัวรู้ กับผู้ร <surreal. S 1> <period. S 2> ู <authority> ้ก <double> ็สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยถ้าเราเห็นตลอดเวลานะเราเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตัวเองใช่ไหมผู้ใดเห็นตัวเราเองผู้นั้นก็เห็นธรรมเราได้ดวงตาโยธรรมังประสติที่เราสวดโยธรรมังปสติโซมังประสติโยมังประสติโซธรรมังประสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเขาว่เห็นเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นตัวเราเองนี่แหละเห็นตัวเรานะแต่เห็นกี่เปอร์เซ็นต์ มีตรงนั้นด้วยสามสิบเ5อร์เซ็นยี่ห้าเห้าสิบเ็นจ็หเ็นเี่เห็นคปอร์เซ็นต์เาาเห็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เห็นทีละท่อนละท่อนไม่ใช่ยังไงนความทีในการเห็นช้าัยขนาดไหนืมไปังนานผู้่มาเห็นตอนนี้เองพอเห็นปั๊บืมไปอีกตังนานผู้งเห็นนันนี้เขาเปอร์เซ็นต์ต่มากเขาว่าเห็นในที่เห็นไวเห็นบ่อยพอเือปั๊บรู้ เผอไปห้าเรื่องเจ็เรื่องรู้สักเรื่องสองเรื่องก็ยังดีนี่เผอเป็นสิบยี่สเรื่องเพิ่งรู้สักเรื่องอย่างนี้เผอไปเยอะแต่ว่ารู้น้อยแต่ถ้าหากประเภทที่เผอพรรู้ปุ๊บเลยนี่ถือว่ า, วาเร็วมากใกล้เคียงและเกีอบร้อยเปอร์ซนะแต่ถ้าร้อซมันไม่เผอเลยรู้ตลอดเรียกอัตโนมัติเป็นปรามัดอะไรแบบน ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราก็มีอย่างเดียวก็คือฝึกไปเรื่อยๆนะสมัยจะมาฝึกเนี่ยมันมันสับสนมากเพราะอะไรเพราะหลายลทัทธิชนโมกก็จะเอายูกน้อพองน้องก็จะเอาตัวเคลื่อนไหวก็จะเอากลืนไหวก็มีหลายแบบเลยนะเคลื่อนไหวแบบอย่างนี้ก็มีเคลื่อนไหวแบบไอ เข้ามาทีละนิดไปทีละจังหวะจังหวะ ก, ก็มีเรีว่าติงนิ่งอ่ะขึ้นไแบบติ้งนิ่งอ่ะก็มีหลายขึ้นไหอีกมันก็สับส น, นไม่รู้อาออแอบไปหลับตาบ้างแอบไปทำบำมหายใจบ้างแอบมายกมือบ้างแอบมาพูดโทรบ้างแอบมาทำหนอบ้างเพราะอย่างโยมทำชั่วโมเพราะโยมว่ามันคล้ายกันตัวรู้เหมือนกันเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะอันนั้นบ้างอันนี้บ้างไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเราเรายัางไม่เรายัางไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างสมมุติว่าโยมเนี่ยยังใช้มีดยังไม่เป็นอใช้ขวานเป็นบางครั้งก็เอามีดมาแทนขวานก็ได้เออบางทีใช้ขวานเป็นแต่ใช้เลื่อยยังไม่เป็นอ่าบางทีใช้ขวานแทนเลื่อยบ้างก็ได้เงี้ยใช่ไหมอันนี้คือหมายความว่าในเบื้องต้นที่เราใช้เครื่องมือยังไม่เป็นสักอันเนี่ยใช้แทนกันไปได้เรื่อยๆต่ขอให้ฟันได้ก็แล้วกัน แต่วันใดวันหนึ่งเราเกิดใช้เลื่อยเป็นใช้เลื่อยเลื่อยไฟฟ้าเป็นนะเราลืมเรื่องขวานเรื่องมีดเรื่องอะไรไปหมดเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันไวกว่ามันแรงกว่าแต่นนี้เราฮเวลาอ้อขึ้นไม่น้อยเวลาไม่น้อยขึ้นอยู่กับว่าเราขยันแค่ไหน อ, อันนี้เขาเรียกคนลังเลเสียเวลาอย่างหนักใช่เสียเวลาใช่โยมเป็นตัวอย่างเขาเลยจับที่นั่นของเราไม่ได้จะไปทงไหนได้แต่ถ้าเรามองอีกบวกนะมองอีกแบบหนึง่งอ๋อนั้นถือว่าเป็นการสร้างบารมีจับอนุเสัยอันนี้จับวันนี้ใส่อนุนไปเรื่อยๆแล้วมันมาถึงมีวันนี้ถ้าไม่จับพัดจัผูจับไปจั บ, จบมามันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้อันนี้เป็นการสร้างสมมองไปอย่างนั้นใช่ เท่า <Yeah. S 2> ไหร่เพิ่งจะทงานหนักนะฮะแต่อ่านสอเยอะแล้วของายไม่ได้ซื้อกซื้อมาให้ไดนามิกแบเนาเให้นยมอ่านจากนั้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติแบบเนี huh. ้ย oh. มันไม่ยากมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ที่มันยากก็คือ มันไม่สนุกแต่ถ้าเราไปฟังนิทานนะไปฟังเรื่องทำบุญให้ทานรักษาศีลจะได้อานิสงส์อย่างนู้นะอย่างนี้นะก็ฟังแล้วเพลินนะเพลินไ่สนุกเพราะมันได้มันได้สร้างภาพมันได้สร้างจินตนาการแต่มาทำางนี้มันจินตนาการไม่ออกมันไปนอะไรคือเรามาทำตัวปรามัิมันเลยยากแต่ว่ามันจะเข้าใจได้แล้วมันจะเร็ว ถ้าหากเราไปฟังเรื่องชาดกนี่ทานเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรื่องศาสนาประวัติศาสตร์สังวิชาการอะไรนะมันเลื่อยเชื่อยเฉยแไปออกจากนอกตัวเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมาทำนี่มันมาสู่ตัวตรงๆมันจึงไม่สนุกแต่ถ้าสมมุติว่าเราจับหลักมันได้นะมันจะสนุกมากเพราะมันเล่นกับของจริงใช่ไหมแล้วพ่อแม่ปุ ญ, ญาดายายทําบุญทำทานมากี่พ ก, กี่ชาติท่านก็ยังไม่ไปไหนะ่ะ เพ่ออะไรพ่อไม่ได้ไม่ได้ชี้เข้ามาตรงนี้ท่านไปชี้ในเรื่องของสีข้างนอกหมดถึงแม้จะเป็นเรื่องาศาสนาก็ตามนะแต่ไปชี้ตรงที่เปลือกแต่ว่าแต่ตอนนี้เรามาชี้ตรงที่แก่นเมื่อมาชี้ตรงที่แก่นแล้วเนี่ยมันจะไม่โดนใจเราเท่าไหร่เพราะมันไม่มีโรสชาติมันจืดจืดชือดอะ่ u, าานะเนี่ยนี่สำหรับคนเข้าใจแล้วเนี่ยจะเกิดการพิสูจน์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเองมากอะ อันนี้คือข้อดีนะเพราะว่ยัางยมเองเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ไมง้อเงาหานอนเมื่อวานนี้วันแรกอาจจะธรรมดาเพราะยังใหม่แต่วันนี้จริงๆแล้วน่าจะม่วงเพราะว่าเมื่อคืนนี้แทบจะนอนไม่แต่วันนี้กับสดชื่นตลอดเิดแต่ยมค่ะพอยมอ่าดูลมหายใจเข้าออกยมจะง่วงแล้วยมจะหลับแล้วยมจะเบื่อเดินจงกรมยมก็จะเบื่อเต็มที่สองชั่วโมงยมล้าแล้วยมเหนื่อยยม พอแล้วโยจะเป็นอย่างนั้นคะ uh huh. แต่กับวันนี้โยมกับคอนติเนียลได้ตลอด uh huh. ซึ่งโยมมองว่าเออมันท้าทายสำหรับเรานะทำไมเราถึงได้ง่วงทำไมเราถึง uh huh. เราถึงรู้ตัวได้ตลอดเพราะในสิ่งที่มันเอื้ออํานวยให้เรา alert ได้นี่นะนอกจากวิธีการแล้วเนี่ยเราก็ยังจัดในเรื่องโปรแกรมที่เราทํานี้นะให้มันพยายามที่ให้ alert ตลอดแม้แต่เรื่องอาหารการกินนะ uh huh. ไม่ให้มันหนักเกินไปอยาหันวันนี้ก็พอดีนะ ถมากกว่า น, นี้ก็ง่วงแนวกันเลยเพรฉนั้อันนี้คือพยายามจัดองค์ประกอบให้มันสอดคล้องกันแล้ว ก, การการทำเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปแช่อยู่ในบทเดียวจนมานานขึ้นไป <c oughs> จนร่างกายร่าเราก็พยายามกระตุ้นกันให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมซึ่งมันต่างจากวิธีการที่เป็นสมถะที่พยายามที่จะอดทนชนแช่อยู่กับอาการเดิมๆนั้นเพื่พอจะพิสูจน์ว่าฉันแ<ม>น่จริงเนี่ยฉันช่วยแกได้นะอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นการ ฝืนฝื น, นธรรมชาติกฎของอ น, นิจจังอ น, นิจจังเขาต้องเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเขาอะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีฟังครูบาอาจารย์ที่อ่ า, อานตาราเขาบอกว่าขันติใช่ไหมคะอ่าเราก็คือบเราฝึกขันติอดทนอดกลั้นของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ความขันติที่เป็นวิปัสสนาคืออดทนต่ออารมณ์ยากสมมติเราอยากจะกินข้าวเย็นเนี่ย อดไม่กินละสามหนุ่มอนได้ตรงนี้ถือสิ้นแผลได้นะในขณะเขาเอาปลาเอาซุปมารออย่างดีแล้วไม่เผลอเลยนะนี่เขเรียกว่ามีขันติแล้วถ้าขันติอย่างนี้เป็นขันติวิปัสสนาคืออดทนต่ออารมณ์ที่อยากที่ใครที่ต้องการเราไม่ทําตามนี่เป็นขันติที่แท้จริงขันติตัวนี้มีชื่อใหม่เลยอะธิวาสนะขันติก็ขันติทีทนต่ออารมณ์แต่ว่าขันติที่ทนต่อ ร่างกายตากแดดตากร้อนตากหนาวเราทนนะอันนั้นเขาเรียกขันติของสมถะไม่ใช่ขันติของวิปัสนานะแต่ว่ามันก็จําเป็นถ้าชาวบ้านถ้าไม่มีขันติระดับนั้นอยู่เขาก็ทํางานไม่สําเร็จใช่ไหมการอ่านการเรียนการเขียนการสอบอะไรนะี่ต้องใช้เวลาอ่านหนังสือต้องอดทนทนอยู่อันนั้นเขเรียกว่าขันติที่ใช้ในแง่ของทางโลกิยักเรียกขันติที่เป็นสมถะก็ประสค์สําเร็จได้แล้วทุกคนเนี่ย ถ้ามีคันตีระดับนั้นจะเรียนรู้หาการทา ง, งานทำได้ขนาดนี้นใช่ไห ม, มเราต้องอดทนต่อการเรียนการอ่านการท่องการจําแต่เราไม่อดทนเดิมมีใครสักคนถึงมาว่าเราทําให้เราเจ็บใจเมื่อเราไม่ทนเราเราก็สติตเตลึกเหมือนกัน<ม><ม>แต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสนาแม้แต่คนมาด่ามาว่าให้เราเจ็บเช้าน้ําใจแล้วก็ทนได้สบายนี่เขเรียกคันติแบบวิปัสนาคันตีแบบนี้พระพุทธเจ้าสนุนให้ทําขันติแบบนี้ท่านใช้คาว่าอาตาปี ถ้าไม่ใช่คำว่าขันติอัตตาปีคือจริงใช่ไหมอัตตาปีคือเราจะไม่เพ่งเผาร่างกายแต่เราไปเพ่งเผากิเลสเผากิเลสอ่าเนี่ยขันติที่เผากิเลสเป็นขันติของมิปรสนาแต่ขันติที่ไปเผาความร่างกายให้มันทนสู้กับงานเนี่ยเป็นขันติของสมถะตรงนี้เขาเรียกขันติ นะ <c oughs> แต่ขันติที่เอามาใช้เป็นอัตาปีเนี่ยท่านใช้คําว่าวิริยะนะวิริยะ น, นั้นเวลาเราจะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินอะไรเนี่ยเป็นการขันติทางกายเนี่ยไม่ต้องใช้มากก็ได้แต่ขันติทางจิตเนี่ยต้องใช้มากนะเช่นเราทนต่อความเบื่ออย่างนี้ คือกิเลใช่ไหมแต่ไม่จําเป็นต้องทนต่อการปวดเพราะปวดขยับก็หายแล้วแต่เบื่อเนี่ยขยับแล้วขยับอีกว่าไม่หายนะมันจะลุกหนีอย่างเดียวมันถึงได้ไปก่อนมันจะหายอย่างเงี้ยแต่เราทนดูมันได้นี่เขาเรียกว่าคันติที่เป็นวิปัสนาเรียกอธิวาสนาคันติเป็นคันติของพระอริยเจ้าถ้าใครใช้ขันติทุนี้ไปไหว้คนนั้นก็เป็นเริ่มเป็นอริยละมันหิวแต่ไม่กินไม่จําเป็นแต่ถ้ามันอยากเออถ้ามันหิวกินแต่มันอยากไม่กิน บำบัดความหิวกับบำบัดความอยากเนี่ยอันไหนง่ายนะยากกว่ากันบำบัดความหิวกหิวง่ายกว่าฮะบำบัดความหิวกับบำบัดความอยากฟังให้ดี <a un> บำบัด like, ความหิวกับบำบัดความอยากอันไหนยากอันไหนง่ายในแทนใไทยความหิวง่ายกว่าความอยากยากกว่านั่นนัต่างเรอเลี้ยงก็บอกความหิวยากกว่ามมาก็ถามว่าบำบัดอันไหนง่ายกว่าบำบัดอันไหนยากกว่าระหว่างหิวกับอยาก บำบัดความหิวง่ายกว่าใช่ไหมแค่รู้สึกหิวแค่ไปลุกไปดื่มน้ำก็ดีขึ้นได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกอยากแหมวันนี้อยาแก้ต้องต้องได้มันต้องได้มันต้องลุกไปมันเผลอไ่ได้ไปเลยมันไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นการอดทนต่อความอยากนั้นเรียกว่าขันติที่เป็นวิปัสนาถ้าอดทนต่อความหิวที่เป็นขันติทางกาย ไปบำบัดมันง่ายกว่าเราการที่ร่างกายต้องการเนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องทนเพราะว่านั้นคือปฏิบัติธรรมสนองครับมันถ้าเราไม่ตอบสนองดีมันมีผลเสียหลายคนที่ไม่อดทนอดข้าวเพื่อที่จะได้มีตะบะแร ง, แรงๆใช่ไหมอดข้าวหลา ย, ลายวันนั่นเขาปฏิบัติตะบะรำแต่ว่าผลเสียคือร่างกายเบียดเบียนร่างกายเมื่อร่างกายถูกเบียดเบียนร่างกายลําบากจิใจเป็นไงผี่ปกติและสายลน ใช่ไหมเพราะด้านที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกให้เกิดความอดทนต่อกิเลสแต่ความเจ็บปวดเนี่ยเราก็อดทนพอสมควรเท่าที่ทนได้แต่เรามีวิธีที่ไม่ต้องทนก็คือการเคลื่อนไหวไการที่เราขยับนี่ขยับหน่อยก็ไม่ได้เสียกิริยาอะไรใช่ไหมแค่นี้ก็บำบาัดได้แล้วก็คลายแล้แต่ถ้ามันอยากจะหนีมันอยากจะไปเนี่ย มันตะกินตะกินไม่อยากจะไปให้ได้นะใจมันวุ่นไปหมดเลยใช่ไหมอ่าไม่อยากจะกินมันอยากจะเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินไม่ได้เล่นมันวุ่นไปหมดแต่เราเอาชนะความรู้สึกอยากอย่างนี้ได้นี่เรียกว่าเป็นวิปัสนาแต่คนค่อนข้างจะมองข้ามไปใช่ไหมบางคนนั่งปฏิบัตินั่งทนได้ข้ามวันข้ามคืนแต่เวลาหิวอยากขึ้นมาลูกปิ้วไปเลยโดยไม่รู้ตัวเลยนะตอบสนองได้ทันทีนี่คือที่เราปฏิบัตินะ เอาละประเด็นที่ว่าเราพูดถึงระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับตัวผู้รู้เกิดขึ้นอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้รู้เกิดขึ้นเพราะมีการสร้างเจตนาที่ผ่านปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการได้วิเคราะห์วิจารณาจากการได้ลงมือทําจึงเกิดตัวรู้นี้ขึ้นมาถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไปดูลงหายใจแล้วเกิดสตินี่เราเราหายเสร็ หายใจตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่กแก่จนตายก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมฐานหายใจทิ้งตลอดชีวิตมีอยู่ใช่ไหมบางคนไม่ได้ยินฟังเลยนะหายใจทิ้งตลอดชีวิตแต่ว่าหนึ่งพอเราดีนะเออคุณาาตามรู้มันทิลงหายใจตามรู้มันทำให้จิตสงบได้ไงนะเราเกิดปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยใช่ไหมสูตรแต่ปัญญาปัญญาเราก็ลองทําเโอ้ชิงใช่ขนาดที่ฉันตามรู้ลงหายใจนี่ฉันรู้ตรงนี้ใจฉันอยู่ตรงนี้เริ่มเห็นความจริงได้แล้ว กับพิสูจน์ทดสอบเออใช่แล้วก็พิสูจน์กนรรารทดสอบแล้วใช่ยังไม่ได้ลงมือทำเรียกว่าสูตรตมยะปัญญาเออจีนตามมยะปัญญาพอลงมือพิสูจน์แล้เห็นจริงสัมผัสได้จริงเป็นภาวนามยะปัญญาเพราะฉะนั้นตัวรู้ที่ผู้รู้ก็คือตัวปัญญานั่นเอง mm hmm. เกิดด้วยสามทางแต่ตัวที่ถูกรู้มีอยู่แล้ว mm hmm. คืออาการของเวทานาทั้งกายทั้งจิตเป็นตัวถูกรู้ใช่ไหม mm hmm. แต่ตัวผู้รู้ต้องมาสร้างเอา จะเริ่มสร้างคือหนึ่งจะต้องเจอกริยาณมิตรผู้ที่ให้ปัญญาสามระดับกับเราเพราะฉะนั้นในวิชาสิบตึงเริ่มต้นที่กริยาณมิตรกริยามิตรแปลว่าคนที่ให้ปัญญากับเราให้แสงสว่างกับเราเมื่อเจอกริยาณมิตรแล้วเกิดการได้ยินได้ฟังเกิดว่าสุตะเกิดกินตาเกิดภาวนาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเกิดอะไรอยากจะทําเกิดศรัทธา ใช่ไหม อ, อยากจะทดสอบเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาลองทำแล้วเกิดอะไรเกิดส ต, สติสัมปชัญญะสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่เคยรู้สึกตัวก็รู้เมื่อก่อนหายใจเข้าหายใจออกไมไ่เคยรู้เลยว่ามันเกิดจิตมันอยู่กับปัจจุบันได้พอมาทำเออมันเกิดจริงๆพอจิตอยู่เป็นสติสัมปชัญญะอะไรใช่ไหมศรัทธ<ม>าก็ให้เกิดสติสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะนี้ก็ก่อให้เกิด โยนิโสมณสิการคือการทําละเอียดแยบขายขึ้นทํารายละเอียดคือเมื่อก่อนทำอิลุงชงเชงไปเรื่อยหายใจทิ้งไปวันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งเนี่ยไม่เคยสนใจแต่เดี๋ยวนี้เกิดมาสนใจสนใจที่จะรู้สนใจที่จะตามไปเรื่อยอาการอิลุงชงเชงของมือไม้เมื่อก่อนไม่เคยตามรู้เดี๋ยวนี้แล้วเริ่มทําแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยจับค่อยฉวยค่อยอิบค่อยเอื้อมมีโยนิโสมณสิการพิจาณาแล้วใช่ไหมนี่ และโยนิโสมนาสิกานี้ก็จะนําไปสู่ตัวสุจริตทาถูกพูดถูกคิดถูกขึ้นเมื่อก่อนมันมีแต่พลาดแต่พลาดไปหมดมั่วไปหมดไม่ถูกแต่พอมันมีการใค่อยๆพิจารณาค่อยทำค่อยไปมันเกิดทาถูกพูดถูกเรียกว่าสุจริตสามพูดถูกทําถูกคิดถูกคําพูดที่เคยพูดมั่วๆไปเรื่อยเรืเริ่มถูกต้อง คามคิดที่คิดสเปรยสะปะเริ่มคิดได้ถูกต้องการกระทําไม่เคยมีจังหวะจากคเริ่มมีจังหวะจากคนถูกต้องมากขึ้นรเรียกว่าสุจริตสามมีอยู่ใช่ไหมใช่มันมีจักเลือกขึ้นใช่ไหมรู้จักเลือกขึ้นใครควรเรียกวโน่นิสงฆ์นะเพราะมีสุจริตสามนี่เองจึงเกิดสติปัญฐาสีขึ้นมามีการพิจารณากายเป็นเมื่อก่อนดูแต่ลมหายใจแต่เดี๋ยวนี้ดูส่วนอื่นด้วย ตัวนี้มันเจ็บตัวนี้มันปวดตัวนี้มันเย็นตัวนี้มันร้อนดูไปทั่วๆเมื่อก่อนมันก็จํากัดอยู่แค่ตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ก่อนเราก็ดูจากการเคลื่อนไหวของมือแต่ส่วนอื่นไม่สนแต่พอตัวสติีประทานเข้ามาปั๊บอ๋อไม่ใช่ดูกายอย่างเดียวเนี่ยดูความรู้สึกข้างในขณะนี้นั่งเย็นแล้วหนักแขงเครื่องดื่ก็รู้ด้วยนี่ตามรู้ดันนั้นไหมเออในขณะข น, นี้นอกจากเยนนนนนน็นแล้วหนักแข็งเครื่องดื่มมันยังรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ก็รู้ด้วยใช่ไหม ขณะนี้อารมณ์ชันดีไม่ดีฉันก็รู้อยู่เหมือนกันเป็นธรรมารมณ์ากายเวทานาจิตแต่มาครบเลยใช่ไหมนี่เห็นไหมตัวโยนิตัวสุจีดีสามก็นําไปสู่การเจริญสติปัฏฐานสี่ถูกพอสติปัฏฐานสี่ทำได้ถูกต้องปับ๊บมันก็จะเกิดสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้เนื้อรู้ตัวได้กว้างขึ้นแต่ถ้าสติปัฏฐานมันจะรู้ไป็นส่วนๆแต่ถ้าเป็นสติสัมโพชฌงค์มันจะรู้ทั้งหมดเป็นบูรณาการ บูรการเอากายเวทนาจิตธรรมถ้าเป็นสติปัฏฐานก็ดูกายก็เป็นกายดูกายไปเรื่อยๆดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่พอมเป็นสัมโพชงคปับ๊บมันก็จะรู้ได้ทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมเป็นขบวนการเดียวกันเลยนี่พอรู้สติสัมโพชงโพ ช, พชงตัวอื่นเกิดไหมธรรมปิจิยะเกิดการไข่ควนทําการพิจารณาธรรมเกิดวิทยะความขยันธรรมเกิดปีติเกิดความเบากาย เ, เ, เบาใจ สอใจเกิดความเย็น อ, อกเย็นใจสมาธิเกิดความมั่นโอมั่นใจอุเปเคราะเกิดความนิ่งคือความสงบเกิดความเป็นกลางของอารมณ์ตรงนี้จึงเกิดคําว่าวิชาตัวรู้่มาจากขบวนการเรื่องตัวเด็ก็รเรียมิร่เดี๋ยเอานอะไรพบกเรียนิตรได้ยินได้ฟังใช่ไหมสองเมื่อพบกะัะเรียนมิตรไ้นไฟังแล้วเกิด อ, อะไรเกิดปัญญาสา ม, สาม ก็อยากจะทําเกิดศรัทธาสทําำไปแล้วเกิดรู้เนืรู้ตัวขึ้นมาเป็นสติสัมปชญะ 5. เมื่อสี่สัมปชญญะแล้วเกิดทําอะไรสักแล้วบัดละวังขึ้นใข้ครพิจารณาขึ้นเป็นโยนิสุโมนทิการ6เมื่อโยนิสุโมนทิการเป็นรู้จักเลือกทําพูดคิดเป็นเกิดสุจิฏิตามเมื่อสุจิฏิสาเกิดแล้วมันก็พร้อมที่จะทําสถิปติฐานเป็น ใช่ไหมแปดเมื่อเจริญสติปัฏฐานเป็นก็เกิดพุทชงเก้าตัวรู้ก็เกิดคือวิชาสิบเมื่อปีวิชาแล้วมันก็จะหลุดเป็นเรื่องไปเรื่องไปเรื่องไปเรื่องวิมุตต์วิชาและวิมุตต์นี่เขาเรียกองค์ของการเข้าถึงตัวรู้สิบประการริ่มตัวแต่กะยะนมิตใช่ไหม ในนั้เราจึงมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ตัวรู้น้นอยๆเนี่ยแต่ว่ามันพัฒนาเป็นกระบวนการมาถึงสิบขั้นตอนแต่ว่าเวลาเราไปปฏิบัติไม่จำเป็นต้องลำลึกถึงไอ้ขั้นตอนเหล่านี้ น, นะให้รู้นิดรู้ตัวก็พอละแต่ให้รู้ว่าเออไอ้ตัวรู้นิดรู้ตัวมันเกิดด้วยกระบวนการอันนี้นะไม่ใช่จูจ่ๆมันจะเกิดนะเราก็จะต้องมาขยันทํำให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองนะอันนี้คือตัวรู้ แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้ที่จะมานํามาเป็นประเด็นที่จะพูดว ga ันนี้นะเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้วทีต่อมาอีกสักประเด็นหนึ่งเมื่อเรามีผู้รู้คือรู้ตัวที่เราทําเป็นผู้สร้างนี่นะแล้วมีสิ่งที่ถูกรู้ตัวนี้สัมผัสได้หรือยังว่าในร่างกายของเรามีเย็นแล้วอ่อนแข็งเครื่งตึงตรงไหนเห็นไหมยังเห็นสบายไม่สบายเห็นใช่ไหมอึดท้องอึดไส้เป็นไงเห็นนะอันนี้เริ่ม ลิมไม่วิตกอลไใช่ไหมเออก็ทำมันแลก็อยู่ได้ไม่ไปสนใจไม่ใส่ใจมันอันนี้คือลูกไม่ใช่ในแทนไม่ใช่ในไทยนะเอี๋ยมันก็จะเกิดการปล่อยวางเล็ดอิทโกแต่หลวงพ่อไม่เคยเป็นโูกท้องเพราะอะไรเพราะตื่นขึ้นมาดืมน้ําทีเดียวสองสองขวดวันไหนที่มันไม่ถ่ายหมายควาะว่าเป็นเรื่องแหละแล้วแสดงว่าเขาเป็นเวทนาให้ดูเพื่อให้รู้รู้ตัวเลยเรย อ๋ออกินเร็วไปกินเร็วไปไม่ใช่กินเดียวก็ในตอนกินนี่ขาดองคของการอะไรประจวบกัศการพิจารณาอาจจะย่อยไม่ดีหรืออาหารที่ทานอาจจะไม่ถูกกับธาตุหรืออาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยท่านมันมันแอนตี้กันเองอย่างสมมติกล้วยหอมเนี่ยท่านไม่ให้ทานกับสิ่งที่เป็นมันมากเกินไปไมันจะทำให้ท้องอืดอย่างนี้เป็นต้นนะ คืออ่านบางอย่างเนี่ยมันไปบวกกันแล้วมันเกิดมันเกิดเหตหมเุมันเกิดเป็นพิษอะ่ะ<ช>มันมีตั้งเจ็ดแปดอย่างเ<ๆ>ขามีลิธิอ์อะไรอยู่ใช่ไหมอะไรไม่ควรกินกับอะไรนี่เขาบอกไว้อยู่อันนั้นก็ต้องระวังบางทีคนอื่นเขาไม่เป็นเพราะธาตุคนอื่นเขาไม่เป็นพิษก็ครั้งที่กินเหมือนกัน น, นั่นแหละอันนี้ก็อยู่กับธาตุของเราอันนี้นอกเรื่องนะอออ่า ก็สมมตินสมมติแล้วจะจะพยาจะภาวนายังไงให้เข้าใจว่าเพียงแต่ไม่ใช่เป็นช่คนมันเป็นรูปเป็นคนเป็นรูปใช่แต่ถ้าเรามองอะไรเป็นรูปเนี่ยพ่ออะไรถึงให้มองอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่เกิดความดีดิน้ายอ่าใช่ถ้าเรามองเป็นรูปก็รูปเฉยเฉยอ่ะแต่ถ้าไปมองว่า คนนี้สวยไม่สวยคนนี้หล่อไม่หล่อเนี่ยมันจะมีความดีดีหรือร้ายเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความดีดีหรือร้ายเกิดขึ้นก็ดูเป็นรูปแล้วมันไม่เกิดทั้งสองอย่างนี้แต่รูปเฉยๆนะรูปศัพท์ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่สิ่งดีไม่ดีนี่คือมองเป็นตัวรูปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวพอใจหรือไม่พอใจอ่าแต่บางทีเราดูแล้วเนี่ยเรารู้พยายามที่เป็นรูปแต่มันมีความพอใจไม่พอใจอยู่ในนั้นแสดงว่าไม่ได้มองรูปเป็นรูปแล้ว มองรูปเป็นสมมุติมาเป็นคนแต่เราคิดว่าเรามองรูปเป็นรูปนะแต่มันกลับไปคนเพราะอะไรเพราะความพร้อมทางจิตของเราไม่พร้อมแต่เราพยายามสร้างสังขารขึ้นมาว่าเราพร้อมแต่ว่าอาการมันบอกว่าเออเราพอใจเราไม่พอใจเอาสร้างสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้ไปเรื่อยๆอ่าตัวรู้เพราตัวรู้จิตมันก็จะไม่ส่งออกไง ถ้ามีตัวรู้จิตมันจะมาอยู่กับปัจจุบนันถ้าตัวรู้น้อยจิตมันส่งไปออกเราไม่ทันมันใช่ั้ยแต่ถ้าตัวรู้เยอะมันดูกนนดกลับเข้ามาจิตก็จะมาอยู่กับตัวปัจจุบนันเจ้าคงเค ย, ยมเคยคิดอย่างนี้อเพราะนั้นดบอกว่าไม่ใช่ไม่มีตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ของรองไม่ใช่อะไรเลยหลงศนยะคะถ้าโยกเข้ามาก็มานึกๆึอนันมันนึก<ต>คิดแล้ ว, ลว<า>อ่ะบานมาก็เห็นอะไรหลายอย่างไ ม, <นะ S 1> ม่มันผิดตั้งแต่แรกเลยพิดตนึได <laughs> ้คิดแล้วคิด พอคิดออกไปก็ผิดไปเรื่อยๆเลยเพราะต้นมันผิดแล้วมันบอกไเมนบอกนูปว่าเอ๊ะวิลมาจากไหนไก็ไตั้งขึง้นมาไคิดไปเรื่อยและใชไม่ใช่ไม่มใช่เลเป็นมมรูปสมมติม อ, ม <c oughs> อันนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติถ้า ป, ปฏิบัติ ร, รู้ว่าคิดสลัดทิ้งไปเลยไม่ต้องต่อแต่นี่สลัดไม่เป็นเพราะมันยังไม่ได้ปฏิบัตินี้ ถ้ารู้ปฏิบัติรู้ตัวออกกูคิดไปแล้วนี่สัตว์ทิ้งเลยตั้งต้นรู้ว้่าสามคนที่สนธนาเรื่องอะไรให้หลวงพ่อได้ยินด้วยเอาใครเขาบอกฟังไปเรื่อยไม่ข้างนอกมันก็บไปแล้วไปอินข้างนอกเพราะว่าเรายังมีเพราะเรายังมีข้างนอกข้างในอยู่ถ้าเรามองข้างในอย่างเดียวนะข้างนอกก็เป็นเพียง สิ่งเป็นรูปทั้งหมดที่เรามองข้างในอย่างเดียวแล้วก็เห็นอาการของจิต ท, ที่เป็นนามจิตมันก็ไม่ใส่สา ย, สายแต่จิตส่ใสยไปเพราะมันมีรูปไปที่ตั้งอ่ารูปเป็นที่ตั้งของอะไรอา่าวลืมไปแล้วรูปทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ตั้งของอะไรเน่ลืมไปแล้วทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปเสมอใช่ไหมรูปจึงเป็นที่ตั้งของ ดเนี่แหละของไตรอะไรของไรลักมันไม่จริงมันคือคือนิจังทุกขังนั่นอ่ใช่นั่นแหละมันก็เลยหลมันเลลงไงนึกถึงแตรลักไว้เสมอว่าสิ่งที่เราเห็นก็เป็นนิจังทุกขังตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไอ้รูปนี้มันสวยไม่สวยก็คือนิจังทุกขังน้าตา นึกไว้ก่อนแล้วในที่สุดแล้วมันก็จะแต่ว่าเราไปนึกถึงอนิจจังทุกขแต่ไม่รู้สาระของมันก็อนิจจังทุกขังที่เรานึกก็ไม่มีประโยชน์นะมันเป็นเพียงความคิดแต่ในเห็นสักเท่ว่าเห็นนี่แหละเป็นอนิจจังอ่าพอเห็นสักเท่ว่าเห็นนี่มันเป็นตัวใจสีขาวแล้วเป็นสีสมิปัญญาแล้วแต่ในเห็นแล้วสวยไม่สวยเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วชอบไม่ชอบมันเป็นเพราะอมันเป็นโดยอันนัน แต่เห็นสติว่าเห็นสวยชัดๆคือไม่ได้ไม่ได้แยกว่ารูปนั้นสวยไม่สวยแต่มันรับรู้ว่าเอออันนี้คือรูปไม่ใช่รูปภาพนะคือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดอะเป็นเพียงรูปมันก็จะเป็นทั้งผู้อย่างที่เราเห็นมันก็เป็นอันเดียวไม่ได้แยกจิตแล้วก็จะไม่แยกใช่ไหมจิตนั้นก็ยังเป็นหนึ่งอยู่เพราะจิตจะไม่ได้แยกไปตามที่เห็นเพราะมันได้เห็นการเห็นอันนี้ยาก เพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะนําเรื่องประเด็นนี้ไปพิจารณาค่าคนทีนี้แต่อย่าเอาไปคิดนะเข้า่าพิจารณากับคิดต่างกันไหมต่างกันความคิดกับพิจารณาต่างยังไงวันพิจารณาการนะให้คัวนี้เล ย, เยอ๋อมันก็ไม่ต่างกันดิไม่ใช่พิจารณาบอกว่าเราตรงประเด็นเรพิจารณา ความจริงของอะไรต้องชัดเป็นจริงมั่วๆไม่ได้ความจริงของความจริงของเรื่องนั้นเหรออื อ, อนั่นดิคุณหาอะไรสมมุติรูปธรรมขึ้นมาชัดๆ อย่าลืมประเด็นอะไรเราเราเอ่ยอะไรขึ้นมาก็ตามต้องต่อประเด็นให้มันถูกเมื่ี้คุณถามใช่ไหมว่าหลวงพอถามว่าระหว่างพิจารณากับความคิดเนี่ยต่างกันอย่างไรใช่ไหมพิจารณาที่นี้ก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นคําว่าพิจารณากับคําว่าวิจัยเนี่ยพิจารณากับพิวิจัยกับวิจารณ์เนี่ยอันเดียวกันหรือคนละอ วิจัยกับวิจารวิจัยกับวิจารคนละวิจัยเหมือนการทดลองวิจารก็ือเหมือนการพูดการออกการนิทาวิจารณเหมือนการนิทาเหมือนกบรรยายการาแสดงความคิดเห็นคว่าวิจารกับพิจารณานมาจากศัพท์เดียวกันเพราะฉะนั้นคาว่าวิจารคือความคิดแต่คาว่าวิจัยเนี่ยคือการรู้สัมผัสกับความจริงในขณะนี้หลวงพ่อนั่งรู้สึก หนักแล้วเข้าไปดูอาการหนักนั่นนะอาการหนักนี้เป็นอะไรเป็นลูปหรือเป็นนามเข้าไปดูอันนี้คือการวิจัยสิ่งที่เรียกว่าวิจัยมีความจริงที่เป็นปรมาภิองรับอยู่ขณะนั้นแต่สิ่งที่ว่าวิจารณ์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีความจริงองรับ ม, มันสมมุติฐานขึ้นมาเรียกว่าวิจาร์หรือคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ แต่คาว่าวิจัยเนี่ยมันมีความจริงเป็นพื้นฐานรองรับ ใ, <ช>ในขณะนี้หลวงพ่อจะพูดถึงความรู้สึกไม่สบายเนี่ยก็มีความไม่สบายของร่างกายอยู่จริงแล้วก็พูดถึงมันอันนี้เรียกว่าวิจัย<ช>แต่ถ้าเรามีความไม่ปกติของร่างกายอยู่คนนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาหรือไม่คิดถึงมันไม่พูดถึงมันไม่ได้เอาหยิบประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวถึงแต่เราไปพูดกับเรื่องอื่น อันนี้เรียกวิจารณแต่ทุกขณะนี้เกิดขึ้นตอนนี้เรากลับไม่สนใจที่จะรู้นี่เขาเรียกว่าวิจารณคือไม่สนใจความจริงที่มีอยู่แต่ไปสนใจความจริงที่ไปอยู่ข้างนอกเรียกว่าวิจารณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าสนใจในสิ่งที่กําลังเกิดขอนนี้เรียกว่าวิจารณอวิจัยเต็มที่เป็นเหตุชุกดับพระวิจัยไปแล้วเออวลามันหนักก็ขยับมันก็หายหนักนี่เงี้ยความหนักมันหายไปใช่ไหม ทุก็ดับแต่ถ้านั่งแช่ให้หนักก็อยูเนี้ยแต่ไปคิดเพลอเรื่องอื่นแต่ทั้งตเองตัวหนักก็ไม่รู้ตรงนี้ทุก็เกิดไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้วิจารจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกเพราะฉะนั้นการสอนธรรมะส่วนใหญ่สอนในลักษณะเชิงวิจาณไม่ได้เชิงวิจัยแต่ถ้าสอนวิปัสสนาคือสอนในเชิงใช้ธรรมะวิจัยเพราะฉะนั้นในโพชฌงจิตจึงไม่มีคําว่าวิจารณ์มีคำว่าวิจัยใช่ไหมธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยยะองค์ที่สอง อันนี้คือคําตอบเพราะนั้นใครมาถามอันทีว่าวิจัยกับวิจารณ์ต่างกันยังไงตอบถูกหรือยงแต่อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแตู่พดแต่ว่าถ้าเรารู้ความหมายอย่างนี้เราก็เริ่มจะใช้วิจัยมากกว่าวิจารณ์ใช่ไหมหมายความว่าจะพูดอะไรให้สัมพันธ์กับความจริงขณะปัจจุบันไว้เสมอ แต่ถ้าหามันออกนอกปัจจุบันแล้วก็เราก็ไม่อยากเสียเวลาด้วยเพราะมันปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่าแต่ถ้าเราไม่ตอกย้ำอยู่นี้บ่อยๆเขาก็เผออยู่ดีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเพื่อนที่ไม่ปฏิบัติเนีเยอะกว่าพอเขาชวนไปเที่ยวหน่อยก็ปิ้วไปทําเขาเลยว่า <c ười> ไปกับเขาเฉยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไปกับค <c ười> วามวิญาาณเราก็นึกว่านีา่น่าสนุกน่าจะสวยดี อันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะเสียหัใจแน่นไหมเราคิดเอานะความจริงเพื่อนจะเสียไมเสียไปด้วยเราคิดว่าน่าจะเสียนะเพราะนั้นเหตุการณ์ประจำวันนี้เราไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องนี้แล้วมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเรารู้จักเลือกมีทางเลือกอ่ะจริงอยู่เราอาจจะเผลอไปเยอะแต่ว่าเราเริ่มมีช้อยในการเลือกมากขึ้น่ะนะแล้วชีวิตของเราก็มีหลัก มันคงขึ้นเพราะอะไรเพราะมันจะไปสนใจความจริงที่เกิดในตัวเองมากกว่าสําคัญกว่าเรื่องอื่นมันจะสําคัญนานๆแต่ก็ไม่สนใจเพราะมันไม่ใช่ในเกิดขึ้นในตัวเราว่าวันนี้คนนั้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนั่นเนี่ยคนก็ตาลุกเลยใช่ไหมแต่ไอต้ตนเองถูกไม่ถูกตังนี้กับไม่สนใจนะอันนี้คือเหตุสิ่งแวดล้อมมันพาเป็น แต่นั้นเองเราจึงเสียดายว่าคนที่เกิดมาในพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจพุทธศาสนาเหมือนเขาพรุทธเจ้านี่ให้เพชรมาเม็ดมาเลเลยนะแต่เราไม่สนใจที่จะามาใช้แต่เราไปกับแบกหินมาใช้แต่ไม่เอาเพชรมาเจรไนดังนั้นการมาวิปัสสนาก็คือการเอาเพชรมาเจรไนาใช้นั่นเองเพราะอะไรจึงเป็นเพราะว่าเราขาดกัลยาณมิตร คือมิตรที่จะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเนี่ยเรามีน้อยใช่ไหมเรามีน้อ ย, เ อ, ยเออเพราะเราขาดกระเดียนมิตรที่จะมาชี้เรื่องนี้ให้เราฟังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงอยู่กับพี่ไม่ได้ต้องไปทั่วโลกเพื่อจะไปชี้เรื่องนี้เท่านั้นนะเพราะหลายคนที่เขามีคุณสมบัติดีมีบุญบรารมีถึงแต่ว่าเขาไม่มีกระเล น, นมิตรเพราะนั้นสมบัติที่เขามีอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ที่จะให้เขาพ้นทุกข์ได้เขาก็ยัง ไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมพอเขาได้ยินเรื่องนี้ฟังปับคนตื่นตัวโอคุณสมบัติที่เขามีทั้งหมดมันมาซัพพอร์ตในการเข้าใจของเขาเพราะนั้นวัดวาอารามที่เราสร้างเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เสียดายมันไม่ก่อประโยชน์ที่ใะสร้างกรเรยมิตรเท่าที่ควรเต็ไมไปด้วยเรื่องรัตทิปรภเพนีกอความหลงงมงายมากมายแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงเพราะมันไม่มีกเิเมิที่กล้าทักท้วง บางทีก็รู้อยู่แต่ไม่กล้าทักท้วงเพราะอะไรเพราะไม่มีความอาหารเพียงพอเดี๋ยวเขาจะเล่นงานเรานะแต่พอเราไปเห็นความ<น>จริงแล้วเนี่ยคนปฏิบัติมันน้อยค่ะแม่คนหมูมากกันไม่ไงแล้คนหมูมากคนหะมู่มากไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คนชี้ยังชี้ไม่ถูกเริมเพิ่งมีใครอยากดูแต่ถ้าไปเจอคนชี้ถูกเข้าเนี่ยมันก็อยากดูใช่ไหม า, อ, าอย่างกรณีที่ ชี้ถูกแล้วแล้ยังไม่ดูล่ะว า, ารมี<ะ>ไม่ถึงหรอว่ะไไม่ไม่ใช่ถ้าชี้ถูกคนต้องดูแต่ชี้แล้วถูกคนไม่ดูแสดงว่าเชีงชี้ไม่ถูกอ่าอย่างเยอะตัวอย่างอย่างวันนี้อะและ้วทำไมเขาไม่ดูอ๋อเรียกวารมีไม่ถึงเรียกวารมีไม่อย่าลืมข้อที่หนึ่งเพราะยังไม่เคยศรัทธา ม, มันตอบได้ทั้งหมดเลยตรงนั้นนะเพราะไม่มีศรัทธาโดยบุญถึงบุญบา ร, รมีมากขนาดไหนคุณก็ยังใช้ไม่ได้เพราะไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธานี่เป็นตัวเปิดเปิดฝากวดเปิดฝาลงตรง น, นั้นจะทำงไงครับเกิดศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาคือคนที่อัภับถึงแม้ว่าเขาจะรวยมหาศาลถ้า ต, ตามแต่ยังเป็นคนอภัพยอยู่แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนมีศรัทธาถึงเขาจะจนขนาดไหนก็ถือว่าเป็นคนมีวาสนาเพราะเขาจะหาสิ่งที่ดีได้แต่คนไม่มีศรัทธานี่เขาหาสิ่งที่ดีไม่ได้แล้ว เก็ต้องเอาแค่นั้นแหละวันนี้เขาก็ถือแค่ก้อนกวก็ถือว่าดีเขาเป็นการเริ่มต้นนะนี่คุ้มอเจาจามาโยไม่รู้ไม่รู้ไม่ทานชื่อมาโยจะมานี่เขาเรียกมีวาสนาแล้วนมีวาสนาวาสนาสร้างมาแล้วอลถึงมาประเด็นที่ว่าในเรื่องของ ต, ต, ตัวรู้กับตัวถูกรู้เกิดจากที่ไหนในวันตัวรู้กับตัวถูกรู้เกิดจากที่ไหนตัวรู้เหรอครับก็จากที่ไหนครับก็จากการที่เรารู้สึกรู้สึกตัวนา น, น, านเห็นไหมไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเลยห <laughs> ลงประเด็นเลยนะตัวรู้ก็สิ่งที่ถูกละก็ลังเจาะประเด็นตรงนี้นะที่วันละประเด็นก็พอได้ให้ชัดๆ สิ่งที่ถูกรู้เกิดจากอะไรสิ่งที่ถูกรู้คือสิ่งที่เรากระทบสัมผัสได้ใช่ไหมกรทบสัมผัสอะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมแล้วตัวผู้รู้เกิดจากอะไรเกิดจากทางตา หูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจนี่สิ่งที่ผู้รู้ใช่ไหมดูถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทีนี้ถ้าหากไม่มีตัวรู้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทาหน้าที่เป็นผู้รู้ได้ถูกต้องหมหเพราะฉะนั้นเราถึงสร้างตัวรู้ขึ้นมานะรู้ทาตาถ้าผู้รู้มีสองผู้รู้คือผู้รู้ถูกกับผู้รู้ผิด รู้แบบไหนถูกรู้แบบไหนผิดทบทวนที่เราว่างมาเมื่อกี้เช่นรู้ว่าดอกไม้สวยหรือไม่สวยเนี่ยรู้ถูกรรู้ผิ ด, ดถ้าโดยปรมาิเรกว่ารู้ผิดแต่ถ้าโดยสมมุติก็รู้ถูกอ่าต้องแยกด้วยโดยสมมุติก็คือเขาสมมุติว่าดอกไม้สมมุติว่าสวยหรือไม่สวยก็ถูกแล้วนี่น ะ, ะแต่พาไปขั้นปรมาณพอปรมามันต้องรูทุกอย่างเป็นสิ่งเดียว เพียงแต่รูปนั้นรูปของสีแสงที่ตารูปของเสียงรูปของกลิ่นรูปของรสรูปของสัมผัสรูปของอารมณ์เป็นรูปหมดรูปของรสเป็นไงเปรี้ยวหวานมเียนรูปของเสียงเป็นไงดังหรือไม่ดังเพราะหรือไม่เพราะรูปของสัมผัสเป็นไงอ่อนนุ่มรูปของกลิ่นเป็นไงหอมเหม็น รูปของอารมณ์เป็นไงชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนี่เป็นรูปทั้งหมดใช่ไหมให้เห็นเป็นอันเดียวคือรูปแต่มันจะรูปแบบไหนรูปทางสัมผัสทางตาก็อีกแบบหนึ่งรูปสัมผัสทางหูก็อีกแบบหนึ่งรูปสัมผัสทางจมูกทางกายคนละอย่างแต่รวมแล้วเรียกว่ารูปนะให้รู้เป็นอันเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันรวมแต่ถ้ารู้ไปหลายๆอย่างในจิตมันมันแยก พอจีนมันแยกมันก็ไม่โฟกัสแล้วมันก็ขาดแรงเหมือนไฟฉายที่ไม่มีเลนะกดมาแช็กก็สว่างนะแต่มันไม่ไม่ไปถึงนู่นอ่ะมันก็สว่างอยู่แค่เนี้พอใส่เลนเข้าไปปั๊บมันโฟกัสอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเราถึงรวมให้มันเกิดโฟกัสคือรู้สิ่งเดียวคือรูปเพียงแต่รูปพอแต่ว่าสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเข้ามานี้หมายความว่าเลนมันเริ่มเลนหมุนเข้าหมุนออกไม่ซูมเลยใช่ไหมไม่ซูมอินไม่ซูมเอาไปละ แสงก็กระจายถ้าซูงอินแสงมก็จะเจาะอมันก็จะชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ถึงรู้ถูกก็รู้ผิดรู้ถูกก็คือรู้ตรงเป้าชัดเจาะตรงนั้นรู้ผิดก็คือรู้กระจายไปเลยกระจายแล้วนะอาจารย์ก็หมดเวลาพฟดีนะก็ขอนุโมทนาสาธุความตั้งใจของเราทั้งหลายการที่จะนําไปศึกษาเรียนรู้ ให้เห็นสองอย่างเนี่ยเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้ให้ชัดๆตลอดเวลาด้วยกันทุกคนทุกทันเถอ